ในมนเพื่อนทิกษุตั้งใจฟังกันแล้วก็เจริญพรญาติโยมตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สิบแปดมกราคมสำหรับวันนี้ก็ต้องพูดธรรมะให้พวกเราฟัง ตามปกติแล้วหลวงพ่อพูดคือมันไม่มีจำนวนมากเพราะหลวงพ่อไม่เคยศึกษาเราเรียนเทางทฤษฎีเพราะเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ได้ได้แต่เฉพาะตัวราวกับตัวธรรมได้เรียนไว้แต่เมื่อเป็นเณนนั่นเองจึงพูดแต่เฉพาะเรื่อง ที่เรามีปัญหาในชีวิตประจาวันของเราเมื่อพูดถึงปัญหาเรื่องชีวิตประจาวันของเราก็พูดกันเรื่องความเป็นคนคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เรียกว่าคนคาว่าคนเนี่ยทุกคนเป็นคนทางนั้นแต่มันมีความหมายสลับซับซ้อน แต่หลวงพ่อก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนก็ไม่เคยรู้แต่เมื่อมาลงมือปฏิบัติกันจริงๆแล้วควมเป็นคนนี่มัมนมากคนหลวงพ่อเคยถามมาหลายครูหลายอาจารย์ใครให้ซื้อเสียงเรียงนามมาคําว่าคนเนี่ยใครพูดมาตั้งแต่ปีพศ เ, เท่าไหร่ไม่มีใครรู้เลย แต่ว่มามันสำคัญหละควรศึกษาคนที่ให้ซื้อเสียงเรียงนามมาตั้งแต่ดึกดำบรรคําำว่าค น, นก็ต้องเป็นคนสลาดเป็นคนรู้คำว่าสลาดนี่ก็มันมันทางสลาดทางผิดก็ได้สลาดทั้งถูกก็ได้เราจะว่าจะสลาดดีก็ไม่ได้คำว่าสมาธกิก็เช่นเดียวกันแต่เราไม่เคยรู้ว่าสมาธิแต่หลวงพ่อเคยได้เรียนกับ ครูอาจารย์เพียงเล็กน้อยว่าสัมมาทิฏฐิแต่เรามเห็นถูกต้องคำว่าถูกต้องรวมหมายถึงอะไรเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจานเรียกว่ามักแปดนี่เองนครูบาอาจารย์ก็เคยสอนอย่างนั้นเพียงว่าความเป็นคนมันยุ่งค น, คนคนคำนี้เราให้รู้จักกันเอาไว้แต่ไปพิจรารณาเอาเองอย่าเพิ่งเชื่อตัวหลวงพ่อ เพราะหนังสือเขามีอยู่แล้วอ่ะนังสือกลามาสูตรแบอบกว่าไม่ให้เสื้อถือทั้งหมดเลสิบข้อไปดูเอาแล้วเราไปเสื้อตำลาแบบนี้แล้วไปเสื้อครอาจานแบบนี้แล้วที่ไหนว่าไม่ให้เสื้อถือให้เสื้อที่ตรงไหนเราไม่ค่อยรู้แบบนี้เคยถามคนตาคุณอยู่ที่ไหนตาก็เลยจับ ด, ดูถูกไหมจับตาก็ถูกจริงๆ คนไทยจ้องเรียกว่าตาบัณฑิตถ้าเป็นคนอังกฤษจะเรียกว่าอย่างไรในทราบบัณเป็นคนฝรั่งเป็นคนเยละมันคนอเมริกาหรือคนคาเมนคนยวนคนลาวหรือคนจีนเนี่ยจะพูดไม่เหมือนกันเลยจะพูดเป็นคนละคำจีวาตาเนะี่นมีความหมายคือตาคนไทยเรียกว่าตาแล้วเขาจะจี้สปตาทีเดียวเลยโหัวเนณฑิต เมื่อคนต่างชาติต่างภาษาการพูดกันมันก็เลยไม่เข้าใจคำว่าสัมมาทิฏฐินี่ก็เช่นเดียวกันหลวงพ่อไม่ได้พูดคนอื่นหลวงพ่อพูดตัวหลวงพ่อเองคือว่าคนคนคนี่มัมีตามีหูมีดังมีปากแล้มีกายมีใจอันนี้เขาเรียกว่าอายตนะคําว่าอายตนะนี่หลวงพ่อก็พูดได้ ก็เราเคยได้รู้มาอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหก<ม>เรียนครูบาอาจารย์บอกให้เรียนอันนี้ก็รเรียนเรียนแล้วก็รู้รู้แล้วก็ยังมีปัญหาที่สงสัยอยู่มากยังไม่เข้าใจว่าควรมเป็นคนมีความหมายอย่างไรและใครให้ซื้อเสียงเรียงนามมาคําว่าคนเนี่ยเที่ตรงไหนเป็นคนจริงๆที่ตรงไหนไม่ใช่คนนะ่ะไม่รู้เลยเ ดังนั้นตัวคนเนี่ยแพงขาหน้าตามือเท่าเป็นคนจริงแต่จิตใจอาจจะเป็นหลายอย่างผู้หญิงก็เป็นเพศหญิงผู้ชายก็เป็นเพศชายแต่คําว่าคนเนี่ยมันมีทุกคนเลยหมายถึงอะไรเนี่ยค่วมเป็นคนเกิดมาเป็นคนแต่ให้เรารู้จักว่าคน คำเมื่อรู้จักว่าคนหรือเปาให้รู้จักหน้าที่ของคนถ้าหากเรารู้จักแค่เพียงคนยังไม่รู้จักหน้าที่ของคนอันนั้นก็ยังไม่ใช่คนเ <c oughs> พื่อจเนี้คําว่าคนเนี่ยมันมีหลายอย่างสับสนปนเปย์บ้านหลวงพ่อเรียกว่าสับสนปนเปย์และสับสนวุ่นวายมันยากคาว่ายากนี่ก็มันสลับซับซ้อนบ้านหลวงพอ ก็จําเป็นต้องว่าสองคำเลยยากสลับซับซ้อนยุ่งยากของหลายสิ่งหลายอย่างเอาไปประมวลเข้ากระต้าบ้านหลวงพะเกษัย์กระต้าทางทีดีว่าที่ขยะที่ทิ่งเทขยะจะเขาเรียกว่าอย่างไงไม่รู้อันนคนพันเรียกว่าอย่างไรตะก้าตะก้าเอาไปเทไปตะก้าทันเลยของดีก็ที่เราี่นั่นของที่ไม่ดีกัที่เขานั่นบางที เป็นทองคําเป็นแหวนเป็นเพชรเป็นอะไรมันหลุดลงไปทั้งก็มีมีคนพูดให้หลวงพ่อฟังหลายคนเอากระยาไปทิ้งไปตักตะ ก, ก้าสิตะ ก, ก้าเ น, นหลุดไปก็เลยไม่รู้เลยเพราว่าคนนี่ก็มีทั้งดีและมีทั้งเร็วไม่ใช่เร็วดีน่นเลยสามเนยที่หลวงพ่อพูดนี่ยถ้าของดีเราเป็นเลือกเอาก็ได้ถ้าของไม่ดีเราไปจับเอาของที่ไม่ดีออกมาก็ได้เอาของไม่ดี คือว่าคนไม่ให้รู้จักจริงๆนะถ้าหากไม่รู้จักแล้วเราจะศึกษาควอมเป็นคนเนี่ยจะไม่ถูกต้องแต่ถูกที่เราเห็นนั่นแหละเมื่อสัมมาทิฏฐิแปลควอมเห็นเมื่อเพิ่มมิสัททิฐิเข้าข้างหน้าก็เลยเป็นการเห็นผิดถ้าเอาสัมมาทิฏฐิขึ้นก่อนเลยว่าเห็นถูกต้องนันเป็นคําพูดด้วยเหล่านั้นมันก็เป็นตัวจริงมันเป็นคดดําคพูดเพื่อให้คนศึกษาให้รู้เท่านั้นเอง มันนี้ก็มาพูดหน้าที่ของคนและคนจะจับจุดไหนเป็นคนคนก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างมีในเรามีในเราทุกอย่างคำว่าคนมีผีมีสัตว์มนรกพูดกันเรื่องพอที่จะเข้ากันได้อ่ะมีสัตว์วดะสารมีอสุรากายมีเปรตพูดกันอย่างที่เราเคยได้ยินมาก็มีที่ตัวคน ในทางตรงกันข้ามคนนี่มีมนุษย์มีเทวดามีพระอินมีพระพรหมและก็มีพะระฤยบุคคลก็อยู่ในคนนั่นเองท่าคนแะจะจับที่ตรงไหนเป็นเทวดาจับที่ตรงไหนเป็นมนุษย์จับที่ตรงไหนเป็นพระอินพระพรหมหรือเป็นพะระฤยบุคคลไม่รู้เลยแต่รู้จักว่าคนม่รู้จักแต่ไม่รู้ บัด น, นี้จะจับจุดไหนที่จะเป็นผีเป็นสัตว์นรกเป็นเตษเป็นอสรุรกายเป็นสัตว์โดยสารจะจับจุดไหนบัด น, นี้ก็เลยมาพูดกันเรื่องจิตบัดนี้จิตเจตสิกครัคุณบาอาจารย์ให้เรียนก็จําเป็นก็ต้องเรียนแต่เรียนไม่มากจิตแปดสิบเก้าเจตสิกห้าสิสองไปเรื่อยๆไปเลยบัดนียิ่งเรียนก็ยิ่งไกลตัวไปบัดนี้ ยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้ก็เลยไปจำเอาคุณมันเรีวยกว่าสัญญาอันนั้นไม่ใช่เป็นสัญญาที่อย่างที่หลวงพ่อพูดนี้วันนี้ก็ต้องพูดเรื่องคนเป็นคนให้มากนะดังนั้นเมื่อสัญญาอันนั้นไม่มีความเป็นคนก็ไม่มี ท, ทํำไมจึงไม่มีเพราะมัน ม, มันไม่รู้จักคนมันไม่ได้จักหน้าที่ของคนสัญญาตัวนี้สัญญาอย่งญญางจัดิรกสารเขาก็มีสัญญาเหมือนกันเอาสมมติเอาสุ น, นัข ทางนี้อันเปนสูงนะบ้านหลวงพ่อเรียกหมาหมานี่บ้านหลวงพ่อเรียกว่าอ่ะอะว่นมันเข้ามาเซ๊ว่ามันหนีทางนี้ว่าม้าม้ามันก็มาบันไลนี่เรียว่าอย่างไรไปไปเนนว่าไปไปมันก็หนีเนี่ยเลือกตามกันอันนั้นก็มีสัญญาเหมือนกันแต่ไม่ใช่สัญญาตัวนี้อันนั้นป็นสัญญาที่เรียนจำมาสัญญามันยืดยังไงมีผิวนอกๆคาว่าสัญญาอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี้ คือควรรู้สึกหรืสัญญากระลือวควมรู้สึกวิืควมจาได้หมายรู้คาว่าสัญญาท่านครูบาอาจารย์เคยสอนมาสัญญาเรียกว่าจำได้หมายรู้หีือว่าควมรู้นั่นเองแต่ไม่ใช่ควมรู้ดังนี้ควรรู้ที่เลือกคัดจัดหาว่าความเป็นคนและความเป็นมนษุษย์ความเป็นเทวดาควมเป็นพระอินทร์ควมเป็นพระพรม หรืควรเป็นผ้าเนียบุคคลเลือกคัดจัดหาได้ในทางตรงกันข้ามเป็นสัตว์โดยรสารเป็นสัตว์นรกเป็นเตเป็นอสุรกายในทางตรงกันข้ามกับเทวดาต้องเลือกคัดจัดหาได้เรียกคนคนจึงสามารถจับเอาอะไรมาใส่ได้จับให้ถูกเลยเรียกว่าคนถ้าจับผิดผิดไม่ใช่คน พามันหลงมันหลงจับต้นจนปลายจับน้นจับนี้อันนั้นมันใจคนจะคนนั่นแหละหน้าตาแทงขามือเท้าเป็นคนแต่สัญญาอันนั้นไม่มีสัญญาที่มันมากสัญญาอย่างที่หลวงพ่อคุณคือสัญญามันรู้เอาเรื่องแรกเรื่องแรกก็ต้องพิกมือขึ้นเหมันรู้ให้รู้ก็สัญญานั่นเอง แต่คนเห็นว่ารู้ในี่สัญญาสัญญาตัวนี้มันมันก็พูดโดยที่ว่าให้คนที่จะหนา ม, มีในคนทุกคนไม่ยกเว้นทีเดียวคนไทยก็มีสัญญาคนจีนก็มีสัญญาเช่นเดียวกันคนฝรั่งเศส ก, ก็มีสัญญาเช่นเดียวกันคนอังกฤษคนอเมริกา คนเขม น, นคนยวนคนลาวคนอินเดียบนพระพุทธเจ้าตัดสรู้นั่นก็มีสัญญาอันนี้ให้เองคาว่าสัญญาเนี่ยเราให้เข้าใจจริงๆถ้าหากเราไม่เข้าใจสัญญาตัวนี้แล้วการทำการพูดการคิดเราจะเอาความรู้สึกของเราไปพูกมันก็ทุกเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิของตัวเองแต่ว่าตัวเองเนะี่ยมีอะไรมาปรากฏตัวของเราได้จริงว่ื เราเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อพูดเทตอนเมื่อก่อนอยากพูดให้พวกเราเข้าใจว่าตมิแผลที่รี้ลับไม่สามารถที่จะให้คนดูเราก็ต้องรู้เพราะตมิแผลของเรามีมันจะอยู่ที่ไหนเราต้องรู้อันนี้เราว่าสัญญาที่รู้มาจากธรรมชาติเมื่อเทมันลี้ลับกวรู้หลวงพ่อเคยถาม เพื่อนเพื่อนหลายคนคุณเกิดเมื่ อ, อไรวันไหนเดือนอะไรปีพศเท่าไหร่เขาก็เล่าให้ฟังแล้วก็ถามคุณรู้เองหรือหรือพ่อแม่พูดให้ฟังกับพ่อแม่พูดให้ฟังจามาจากเพราะอันนั้นเป็นสัญญาคววมจมามันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ตจวรู้เองอันนี้แต่พ่อแม่เราให้ฟังสัญญาอันนี้ก็เรียกว่าสัญญาเช่นเดียวกัน อย่างที่เราจับตาเนี่ยถูกเลยนี่ก็ไม่ซ้ำงายเหมือนกันพ่อเรารู้ว่าตาตาอยู่ที่ตรงนี้จับถูกเลยหัวอยู่ที่ตรี้จับถูกเลยเพราะว่าหัวก็มีไปเรียกภาษาต่างกันเท่านั้นเองแบบนี้ที่เราเราเห็นภายในใจเรานะจิตใจมันคิดเหนือให้รู้ที่หลวงพ่อพูดว่าให้เคลื่อนไหวตัวนี้ก่อนเบืเ้องแรกเคลื่อนไหวตัวนี้รู้คนอื่นจะรู้ดรเหนือเราไม่ได้คนอื่นจะเห็นแต่ว่าเรา คิดมือเขาอย่างนี้เห็นรู้แต่ความสัมผัสนั้นคนอื่นจะไม่รู้เลยบัด น, นี้เราหายใจเข้าหายใจออกนั้นคนอื่นมองเห็นก็นรู้แต่เรารู้ว่าเราสัมผัสลึกซึ้งขนาดไหนเรารู้บัด น, นี้จิตใจเราคิดแบบ น, นี้คนอื่ น, น, ม, นอมองไม่เห็นตัวเราก็ยิ่งมองไม่เห็นอันนี้ก็สําคัญสัญญาตัวสัญญาตัวนี้แหละเราต้องรู้ตัวนี้รู้เข้าเป็นลําดับลําดับเข้าไปเรียกว่าตามขั้นตอน ที่หลวงพ่อเคยพูดาตามขั้นตอนรู้ไปตามขั้นตอนแต่คนอื่นจะรู้ยังไงไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้ดังนั้นจึงหลวงพ่อพูดความจริงที่หลวงพ่อได้ศึกษาเล่าเรียนและสัมผัสมาถ้าจะไปจับเอาคาพูดคนอื่นมาพูดหลวงพ่อพูดไม่เป็นเพราะหลวงพ่อไม่สามารถที่จะรู้ได้สิ่งเหล่านั้นอันที่หลวงพ่อพูดนี่ทุกคนรู้จริงๆเพราะมันมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นเลย พระพุทธเจ้าเขารู้เรื่องความจริงเรียว่าความจริงเขาเรียกว่าสัจจ์ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นหรือไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นดังนั้นธรรมะนั้นจึงมีก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารู้อย่างนั้นแหละเียว่าเส้นพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าก็เลยรู้ก็เลยเรียกว่าพระพุทธเจ้าแบบนี้พวกเรา สุดท้ายภายหลังก็ต้องศึกษาตามแบบของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปศึกษาเรื่องอื่นมันก็รู้เรื่องอื่นไปมันก็เลยไม่รู้ตามแบบพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้ดังนั้นคำว่าสัญญาเนี่ยเรื่องแรกหลวงพ่อทำเคลื่อนไหวไก่มาโดยวิธีแดีวก็ตามพุมลงเหื่อยขึ้นเอียงซ้ายเอียงัวรู้มันพิตารกรู้ไป ธรรมดาก้มมืออย่างเนี้ยคนอื่นมองไกลๆก็เห็นมือก็แวงไปแก้งมาอย่างนี้คนอื่นก็มองเห็นไกลๆเนดนเดินนั่งนอนคนอื่นเห็นมันไกลอันนี้ยากมันมันไม่พิษตาแบบ น, นี้ละเอียดเข้ามาแล้วมันเดี๋ยวเล็กกับละเอียดเนค่าคเดียวกันนะคําว่าเล็กกับละเอียดเนี่บ้านหลวงพ่อเรียกว่ามันน้อยเข้ามาวายนะคันว่าทางนี้กันว่ามันหลวงพ่อไม่รู้ภาษาการเนี้ ได้ได้ขวมไหมได้ได้ขวม น, นั่เขาว่าก็มองเห็นให้มันน้อยเข้ามานี่น่ะบันเนื้อเส้นพลิบตาเลยเนาะเข้ามาหายใจเพืยิงน้อยเข้ามานี่มองละเอียดเข้าไปเขาจะเห็นไปอย่างนี้มองละเอียดเข้าไปบันเนี้ก็เลยคิดโอ้คิดเนี่ยคนอื่นมองไม่เห็นแล้วบันี้ตัวเองก็มองไม่เห็นแล้วบันี้แต่ขวมรู้สึกอันนั้นมันรู้ขวมรู้สึกตัวนี้เรียว่าสัญญาเหมือนกันเนื่อสัญญาที่ว่าไม่มีตัวตน และแผลที่รีรับหลวงพ่อแผลที่รีรับามันดีกว่ามันรีรับจนมองไม่เห็นแต่ตัวเองต้องเห็นได้เหมือนกับแผลที่รีรับนั่นเองแต่จุคนคิดสินะนี่หลวงพ่อสมมติเอาแต่ว่าคนอื่นจะสมมติอย่างไรไม่ทราบตอนสมมตินี่แหละเรามันเข้าใจผิดกันแต่มันไม่ตรงกันแต่ควรเห็นนะจิงไม่ตรงกันไม่เหมือนกันจริงจรงพอดีเห็นรู้แต่ไม่ได้ตาเห็นนะเขาเรียกวาจักสุ ป, ปัญญา นวลจักขู่แปลวตาเลยจักขูคือตาจักขู่ธาตุจักขู่มีงานธาตุท่า น, นว่าครูบาอาจารย์สอนแต่ท่านไม่ได้รู้ถึงจิตใจท่านไม่ได้พูดถึงจิตให้ท่านสอนอย่างนี้จักขูโสตาคานะสิวหาท่านสอนไปอย่างนั้นพราะครูบาสอนลวงน้าเนี่ยท่านก็นเรียนรู้พอสมควรท่านเรียนมุมกระจายจบท่านไหวฝังแต่เราไม่รู้ละมุมกระจายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ท่านจะเรียนอยู่จังหวัดอุบล ท่านก็มาสอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้เรียนนำเรียนนาตรงงานเนียไม่รู้เลยหลวงพอ่อเพียงพูดได้ไม่รู้เลยเรียนกรรมาฐานก็เรียนกับท่านหลายไม่ใช่เฉพาะที่เรียนกับท่านนะเพื่อนท่านก็เป็นนักกรรมาฐานะนะกรรมการสอนให้เรียนที่เราไม่รู้กับจงเรียนมันมีความสงสัยอันสัญญาเนี่ยที่หลวงพ่อพูดไี่พอที่จะเข้าใจแล้วจับใจควมได้ อำนาจงานในสิ้นที่มองไม่เห็นก็รู้ยังจิตใจบันนึกมันคิดนี่ก็รู้มันเห็นมันรู้เรื่ววมันเข้าใจมันสัมผัสเนี่ยท่านว่ามีสมมุติบัญญัติมีปรามัติบัญญัติมี อ, อัฏฐะบัญญัติมีอริยะบัญญัติอันนี้โยงนาไม่สอนอเราไปปฏิบัติเกิดมีความสำนึกขึ้นมาอ้อันนี้ก็ยากแต่รู้ได้ทุกคน เพราะคนถ้าหักตั้งใจศึกษาจ้องรู้ทุกคนรู้อย่างนี้บัดรนี้ก็เลยมาเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไปวันนี้ยก็ต้องจะพูดเป็นเรื่องสิ่งที่เราจะควรศึกษาเรื่องรูปนามไม่ต้องพูดก็ได้เพราะเป็นเรื่องอยากบัดร น, นี้เรื่องโทสะโมหะบัด น, นี้เราไม่เห็นแต่เมื่อมันแสดงออกมาเราเห็น ลวงพ่อจึงเคยพูดกันเล่นๆแต่พูดให้มันสนุกถ้าไม่พูดมันก็นไม่สนุกนี่ก็ต้องพูดเราเดินไปตามถนนเราเห็ดผ้าลดไปจากสิบครั้งแบบนี้สมมุติเราเดินไปถนนเรผ้าเรามันไม่มีเข็มขัดมันหลุดลงงานผ่านไปตามถนนสิบครั้งก็ยังพอพอท่เุเราได้ก็ยังไม่ละอายเท่าไหร่ควมามโกรธนี่มันเกิดขึ้นมาครั้งเดียวแม้นันละอายมากกว่าผ้าหลุดในการถนนสิบครั้งนั้น มันมันมันควรที่ยึดหลักการอันนี้โอ้โหมันนั่นละอายจริงๆเนี่ยทําไมเราไม่รู้พี่พี่น้องๆ้อ ง, องมาหาบัณฑิตัวเองพูดเรื่องตัวเองนะวันนี้อย่ามาใกล้กูนะกูใจใหายนะเนี่ยบ้านหลวงเขาเรียกว่าใจใหายทางนี้เรียกว่าอารมณ์เนี่ยใจใหายใจหายเมื่อไหรนี่ก็เราพูดได้ทําไมจริงไม่ทิ่งคำว่าใจใหายแต่เราไม่รู้อันนี้สแสดงว่าเราไม่มีสัญญาแล้วเราไม่รู้ เพียงสัญญาจำมาจากคำพูดของคนว่าใจไม่ดีอารมณ์ไม่ดีใจหายเราไม่ได้มีสัญญาณแต่มี้มีสัญญาแบบสัญญาไม่ ร, มรู้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างไม่รู้มันไม่รู้เราอย่างไม่รู้อั น, นี้เมื่อมันโกรธขึ้นมาทำไมจึงไม่ทิ้งและให้มันโกรธมาทําไมเพื่ออะไรมันน่าปูซานหน้าเคารบนน้ารับถือไหม มันไม่น่าปูสาไม่น่าขลบรไม่น่านับถือน่าเกลียดนแต่เรายังเป็นได้ี่โอ้เนี่สิ่งสิ่งนี้เราเรียนมาแล้วครูบาอาจารย์มาอดเอาขอแน่ก็บอกว่าอดเอาพี่น้ออย่าโกรธนะอย่าใจหายไหนะแต่มันอดไม่ได้อันนี้แสดงว่าเราไม่มีสัญญา เมื่อมาทำอันควมเคลื่อนไหลเนี่ยเห็นจิตใจมันนึกมันคิดเราก็เห็นก็รู้สัมผัสแนบแนบ่อกับสิ่งเหล่านั้นอันนี้เป็นเครื่องป้องกันทันทีแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอารมณ์ที่มันจะทำลายกันไปเหมือนกับ น, นักลกที่น้องพ่อเคยเปรียบขึ้นนักมวยไม่ใช่เป็นเซนเปี้ยนได้เพราะเรียนจากคู่เราขึ้นซกในเวทีบอยๆเขาเราก็ํานานในการซกคู่จสู้มา เราไม่ต้องไปซกแข้งซกขาได้ก็ได้มองที่ไหนแหละเอะคนนั้นเดินไปเนี่ยมันไปเพราะอะไรมันไปเพราะแค้งเพราะขาเนี่ยอะไรพามันไปเราต้องวิจัยเลยโอ้มันมีตามันมองเห็นมันจึงไปได้ถ้ามันมีมตาแล้วมันมองไม่เห็นมันไปไม่ได้โอเราควรซกตามันหลวงพ่อเคยพูดอย่างนี้ใช่ไหเนี่ยครูต่อสู้ขึ้นมาเราก็เดินไม่ต้องไหว้คุูแล้วบบนี้ซกหลงตามันทีเดียวเลยซกสองมือเลยซก บูใส่ตามันเลยพอดีมือเราทึกตามันต้องหลับอย่างนี้มันมืดตึ๊บเลยถึงไม่ตาไม่บอดไม่อย่างมืดตึ๊บอะไรแบบนี้มันจะตีเราก็ตีไม่ถูกเลยเรานีแล้วเมื่อมันเงินตาขึ้นมาเข้ามาเราก็ซกหลงตามันอีกมันก็เลยได้เป็นแซนเพื้อนไม่มีอะไรเรื่องมันนี้เบื้องแรกอันนี้แหละวิธีที่จะทําให้คนเป็นคนถ้าหากเรายังเอาชนะตัวนี้ไม่แน่นอนนั่นไม่ใช่คน แข้งขาหน้าตามืเท้าเป็นคนพราะเลือกคัดจัดหาควมเป็นคนไม่ได้มันจะเป็นคนทำไมคนจีนคนฝรั่งเศษให้ว่าทุกฟาดทุกภาษ า, ท, าทุกเพศทุกวัยเหมือ น, นกันเลยดังนั้นควรเป็นคนควมเป็นคนเราพูดกันหน้าที่ของคนคืออะไรเราเกิดมาเป็นคนจะศึกษาอะไรก่อนเบื่องแรกรู้จะศึกษาตัวหนังสือศึกษาตัวหนังสือดี อาตมาไม่ปฏิเสธศึกษาหนังสือเนี่ยโลิกจบไม่ได้เรียนกับตงวาเอาที่ว่าไม่ได้เรียนกับตงไม่ได้ตำหนินะไม่ได้โจมตีนะเรียนป .1 ป .2 บ้านหลวงพอบุมีมัธยมเนาะเขาจะเรียนพอดป .6 ป .7 เนี่ยก็บเสากันเดียวนี่ยบางคนก็เรียนต่อไปมัธยมถึงมัธยม6มีตัวเองก็เห็นเราเรียนเรียนถึงมัธยม8แล้วก็มาเรียนปริญาเขาจะว่าเรียนปริญาต้องเรียน ตั้งเข็มไว้บนี้จะไปไปเรียนพระแนกไหนก็ต้องเรียนมหกนี่ข้าเจ้าต้องต้องหาขมลู่บรรจุไว้เด็กต่อไปแล้วก็เรียนตามขั้น่ยตามวิชาการชอบอะไรต้องไปอย่างนั้นเคยถามแต่เขาเจ้าพูดให้ฟังจะพลิดหรือถูกหลวงพ่อไม่รูกก็จาเอาตอนเองบัณ น, นี้ก็ต้องวิชาที่บรรจุเข้าปัญญาเนี่ก็หลายเรื่องเลยบัณฑิตจะเอาวิชาไหนเนี่ยเขาต้องเอาเอาเรียนเฉพาะ อันนี้ก็อแบบคนเกิดมาเรียนหนังสือเพื่ออย่างเพื่อป้องกันข่มทุกป้องกันข่มทุกอะไรคือว่าขุมทุกคือได้เงินได้ตําแหน่งหน้าที่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามเนหน้าที่ได้เงินเดือนกันมาจากทุกเกิดขึ้นแต่ตัวนี้กันไม่ได้บันนี้มีเงินบันเนี้ยได้เงินมาแล้วนึกว่าตัวเองจะมีความสุขมีความสุขอยู่อันนั้นก็มีแต่ป้องกันตัวนี้ไม่ได้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 เพราะเราไม่รู้จักวิธีป้องกันอันนั้นก็ไม่ใช่คนเพราะยังไม่จะหาวันหลวงพ่อพูดหนักไม่หนักถ้าคนฟังเป็นแล้วไม่หนักคนฟังไม่ถูกก็เรีอกวันหนักหาว่าหลวงพ่อเนี่พูดของไม่มีแต่มันมีในคนทุกคนเคยได้ยินบ่อยว่อย่าพูดหนักหลวงพอ่อมันไม่หนักคนมันจะหนักทําไมเพราะคนต้องการอยู่แล้วแต่คนที่ยวมันหนักมันคนนั้นไม่สนใจเมื่อไม่สนใจมันจะรู้ทําไม นั่นนั่าคืว่าทิศที่จะวควรมเห็นควมเห็นของเราเป็นอย่างนั้นจะไปห้ามคนอื่นมาให้พูดมันไม่ได้เรื่องของจริงเราควรจะควมจรคนนั้นเองเราต้องการให้คนรู้จักของจริงคือให้ทุกคนรู้จักคนและรู้จักหน้าที่ของคนรู้จักควมเป็นค น, คนเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรจรจะรู้จักว่าเราเป็นอะไรเราจะรู้เองพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ดีทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นเรามาที่วัด ส, สนามไในวันนี้ก็ต้องพูดกันบก ว, ว่าให้เป็นเนื้อมันให้เป็นเนื้อมือนเอาไปกินไม่เป็นโรคคนเจ็บไข้าได้ป่วยเนี่ยไปฟังธรรมะสมมติเอานะไปโรงพยาบาลหมอยาบางคนแลนะเขาตรวจแล้วเขาจะให้ยา บ, บําบัดด้วยวให้ยาแก้ปวดให้หลวงพ่อพูดภาษาบ้านหลวงพ่อกันพู้ให้ยาแก้ปวดหายหรือยาแก้ปวด เราเจ็บเจ็บอันเจ็บนี้เขาจินยาแล้วมันมันก็หายได้ส่วนเขาแต่มันไม่ใช่หายมันผู้เราอันนดังนั้นเราไปฟังเทศฟังธรรมนี่ไปฟังเอาให้มันเพราะเพะมันผู้เราได้มันสบายแต่มันไม่ใช่คนมันแต่มันเป็นคนเพราะเราเนืองเลือกคัดจัดหาสิ่งนั้นไม่ได้มันก็ยังเอามาใช้ว่ามันขอมันกลนกันอยู่นั้นเรากวนเข้ากันคนจึงแต่วว่ากวนเมื่อเราจัดเอาสิ่งนั้นมาใช้ไม่ได้ก็ยังไม่รู้จักวิธีที่จะเอามาใช้ได้ ก็ยังไม่ใส่ขนจะคน้นคำว่าคนเนี่ยให้พิจารณาจริงๆมีหรือไม่คนทุกคนบัณฑิตหม อ, อยาที่เขามีคนสามากหมอหม อ, อยาเรหรือหมอแพทย์นะหมอแพทย์กับหมอยาตนี่คนเดียวกันหมนี่เรื่ยอยงได้ยังไงฮะแค่หม อ, อคนเดียวนคนเดียวคนนะ <c oughs> เขาแพทย์กับหมอเนี่ยบัณฑิ้หมอเนี่ยเขาเรียนมาเก่งการผ่าตัดเรือให้ยาเขาเห็นว่าคนเป็นโรคเปนนี้อถ้าไม่ตัดมันไม่ไหว เขาจะเอาไปเข้าเข้าอะไรหลวงพอไม่รู้แต่เข้าที่ผ่าตัดเข้าห้องผ่าตัด <c oughs> หอวนพ่อไม่รู้บ้านี้คนที่จะเข้าห้องแบบเอ่ะผมได้กินไม่ไ ม, ไม่ดนยาสลบทอนผ่าตัดเลยคนที่เป็นโรคนะเขาใจกล้านะบางคนเขาต้องเอายาสลบทให้ดมยาสลบทให้ดมแล้วก็จะหลบไปยังหม อ, อยังทําการผ่าตัดได้นะบางคนที่เขากล้าเข้ามาเขาไม่อยากให้ยาสลบเลย เขามีความสามารถจริงจังเนี่ยเรียกว่านี่เรียวกว่าศรัทธาก็ได้นี่ว่าความพอใจหรือีว่าเพระมันพูดยากสันทายดียะจิตตะวิมังสะมันพูดไปหลายเรื่องควรจริงมาอันนี้นี่นั่นนี่รว่าประมวลคําพูดของคนมาให้มันสั้นแล้วจะแยกไปะยะังไงก็ได้แต่ว่าต้นตอของมันเรามาเพียงคําพูดมันจะแยกแยะออกไปหลายสิ่งหลายอย่างเนี่กับ คนที่มีความสามารถเอาผ่าตัดเอาเนื้อลายออกและโดยหมอเขาเก่งเขาจะผ่าตัดเอาเนื้อลายออกไม่ต้องดมยาสลบเนี่ยคนที่กล้าแข็งดังนั้นจึงไม่เป็นการพูดหนะักและไม่เป็นการพูดเบาจึงไม่ใช่เป็นยาแก้ปวดหายอันนี้เป็นยาที่จะรักษาโรคให้หายจริงๆที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อไม่เคยมโกหกคนอย่างนั้ พุครั้งต่อหลงพ่อก็พูดอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องพูดเพื่อว่าพูดเพื่อทําห้ผมเข้าใจเรื่องทั้งหมดเรื่องต้นที่สุดอันนี้แหละเราต้องทําการศึกษาและปฏิบัติให้รู้จริงๆการให้ทานดีแล้วการรักษาศีลดีแล้วการทําความสงบดีแล้วดีทุกอย่างไม่เด่ามันไม่ดีแต่ท่านมีปัญหาเรื่องอะไร ก็จะมีความสงสัยตายแล้วเกิดตายแล้วดวงจิตริญญาณไปอยู่ที่ไหนอ้าวอีกแบบก็แสดงว่ายัางไม่ใช่คนอันนี้พูดจริงๆนะอย่าหาว่ารุนแรงนะไม่ใช่คนถ้าคนมันจะไปสงสัยทําไมเราเลือกได้แล้วเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นอื่นไปก็ได้นะจัดสมมติอย่างไงก็ได้เรื่องนี้ดังนั้นวันนี้จีวัฒเศ ข, ขำพูดเรียกว่าเศเรียกว่าซ้อยออกคําพูดอันนี้บ้านหลวงเขาเรียกว่าแส แต่คําพูดกัอว่าวิจัยออกมาเ ป, เ, ปเป็นสิ้นเป็นอันเป็นสิ้นเป็นอันอย่างนี้แล้วว่าแส บ, บ้านหลวงพอทางนี้ว่าอย่างไรเขไม่รู้จักเนละะสำแหลสิอ๋อสำแหลโอ้สำแห ล, แหลกับแสนี่คําเดียวกันนะเออเนี่ยคาพูดมันจะมันเพี้ยนกันแต่ใดดังนั้นคําว่าความเป็นคนและหน้าที่ของคนหน้าที่ของคนต้องเลือกคัดจัดหาอันนี้ได้จัดถูกต้องสมมุตนินาฬิกาจะจับอเมฬิกามาให้ดูทันทีวเวล า, าเท่านั้นจับได้ อันนี้เรียกว่าความเป็นคนรู้จักของสิ่งนั้นอยู่ที่ตรงนั้นของสิ่งนี้อยู่ที่ตรงนี้อันการทำเคลื่อนไหวรู้สึกจัว่วมันเป็นกุญแจลูกเอกมันเป็นกุญแจลูกเอกสามารถที่จะไปเปิเตดตู้เซ็ตในวันยางไ น, นที่ที่ทขาเจ้ว่าตู้เหล็กที่เปล็กบ่อยอย่างวันมีอะไรอยู่ในตู้เซ็ตนะจะได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจจะไม่ให้คนอื่นมาโกหกเราจริง เมื่อคนอื่นมาโกหกเราเราก็ฟังได้เพราะเรารู้แล้วคนนั้นพูดอย่างนั้นอันนี้เลยว่าเป็นคนแล้วรู้จักเลือกคัดจัดหาเอาไปใช้ได้แล้วควมเป็นมนุษย์มันจะค่อยๆเซื่ อ, อ, เ, อเข้ามาเซื่อเข้ามาหลวงพ่อเคยพูดว่าความเป็นคนสมบูรณ์แล้วควมเป็นมนุษย์มันจะเข้ามาใกล้เข้าใกล้เข้าเมื่อควรเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วควมเป็นเทวดามันจะขยับเข้ามาใกล้เข้าใกล้เขา้า ขวมเป็นเทวนาสมบูรณ์แล้วควมเป็นพระอินทพระพรหมมันกขยักขยับเข้ามาขยับเข้ามาใกล้เข้าใกล้เข้ามันสมบูรณ์แล้วควมเป็นพะระอริยบุคคลก็ต้องเป็นเองควมเป็นเองมีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นอันนี้ก็เป็นสัจจะสัจจะเรียกขัวมจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะไปทําให้มันไม่ได้ดังนั้นสมมุติเอาเหมือนกับเม็ดพืชเอาเม็ดมักม่วนมักมีบ้านหลวงพ่อเรียกว่าแกนมันบุกเป็นเม็ด ทางนี้เรียกว่าเม็ดบ้านหลวงพอ่อคือว่าเม็ดนั้นไม่รู้เม็ดก็ต้องเป็นเม็ดข้าวบ้านหลวงพอ่อเม็ดข้าวคันถ้าเป็นนั่นหมายว่าแกน่นเอาไปปุ๊กเอาไปปุ๊กในทางนี้เดียวเอาไปเพาะบ้านหลวงพ่อเรียกว่าปุ๊กเอาไปขุดคุมแล้วเอาใส่ยินตะกบแล้วเอาหน้าใส่รถทั้งเวลามันแตกออกมาเองเราไม่ต้องไปพูดนะเมื่อใดมันจะแตกออกมาเนาะไม่ต้องพูดมันเลยการทําความเคลื่อนไหวเนี่ยเมื่อสมบูรณ์แล้ว มันจะเกิดยานปัญญาเรียกว่าสัญญาตัวนี้เองความรู้อันนี้แหละมันพลิกกรู้ก้มกระลุ่เอียงซ้ายเอียงหัวก็รู้อะไรรู้เข้ามากเข้ามากเข้ามันจะเป็นขั้นเป็นตอนไปบัด น, นี้เมื่อรู้สิ่งนี้แหละอันอยู่อันดับเรียกว่าเราว่าปฐมมาเลิกหรือปฐมฌานทีแรกหลวงพ่อเข้าใจว่ารู้เรื่องรูปนาม น, นี้เป็นปฐมมาเลิกไม่ตรง แต่มันตรงโดยสมมุติจะกระตรงจําเป็นต้องเอามาพูดให้มันตรงตอนที่เราทำลายไม่ใช่ทำลายดอกน้ำสีมีคุณภาพร้อยเปเ็นเต็มกระป๋องเอาไปย้อมผ้าขาวผ้าเป็นน้ำแดงนะผ้ามันจะติดเนื้อผ้าแดงไปทั้งผ้าขาวแดบกบทั้งหมดเลยบัด น, นี้พอดูเราเห็นเรารู้ห่วงเป็นคนแน่นอนแล้วบัด น, นี้ น้ำสีเป็นกระป๋องเหมือนเดิมแต่คุณภาพไม่มีเอาไปย้อมผ้าขาวจะเป็นสีแดงผ้าจะไม่แดงเลยแบบ น, นี้แดงกันน้อยที่สุดอันนี้แหละเป็นปฐมจริงๆเป็นปฐมมาลาสารก็ได้เป็นปฐมาาปปมาเลิกก็ได้แต่ว่าเราได้จนทางได้กระแสพระนิพพา น, านเราเคยพูดกันว่าพระโสดาบันบุคคลได้กระแสพระนิพพา น, านได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมมากจนเห็นอั น, นิี้ก่อนเมืองแรก เมื่อเห็นอันนี้แล้วก็ต้องพยายามทำควา ม, มเพียรไม่เลิกละไม่ท้อถอยไม่อ่อนแ อ, แอทางนี้ว่าอย่างไดคุณนี่หลวงพ่อว่าภาษาบ้าหนหลวงพ่อเด็กไม่เลิกลมไม่เลิกละไม่ท้อถอยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีทางมานี่แล้วทางนี้ว่าอย่างไรเหมือนกันเหมือนกันที่เอินี่แหละการเดินทางไม่ใช่จะเอาหัวไปเดินไม่ใช่เอาแค่เอาขาไปเดินดูที่ไหนตัวเองเป็นคนปฏิบัติ เมื่อมันสมบูรณ์เริ่มมันจะรู้เห็นเข้าใจเองคนอื่นใจเห็นแทนเราไม่ได้อันนี้หละด้วยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นทิฏฐิแท้ความเห็นถูกต้องจริงๆจับหูก็ถุกจริงๆจับตาก็ถุกจริงๆจับแข้งจับขาที่ไหนก็ถุกที่มันลืนลับมองไม่เห็นเราก็เห็นได้อันนี้เป็นของจริงที่ตัวอาจรมาเอามาแสดงหรือมาพูดให้พวกเราฟัง มี่แหละขว่มเป็นคนเติมหน้าที่ก็ยังย่อยไปอีกเลยคนเกิดมารู้จักคว่มเป็นคนแล้วมีหน้าที่อะไรบ้างหลงพ่อพูดมาแต่เรื่องต้นมานหน้าที่ของพ่อพ่อต้องรู้จักหน้าที่ของพ่อแม่ต้องรู้จักหน้าที่ของแม่ลูกต้องรู้จักหน้าที่ของลูกถ้าหากพ่อไม่รู้จักหน้าที่ของพอ่อไปทําหน้าที่ของแม่ก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราไปทําก็ผิดเลย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 นำความเดือดร้อนมาให้แก่เราเมื่อเรามีความเดือดร้อนเราสังคมก็เดือดร้อนไปเองไม่ไม่ต้างไปศึกษาที่ไหนเลยหลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็เรื่องของคนนั้นแต่หลวงพ่อต้องพยายามพูดอย่างนี้ทุกคนมาที่นี่คันถ้าเคยมาฮอดสองสามครั้งหลวงพ่อพูดเรื่องพูดเรื่องเก่าเนี่ยห้องเก่านี่แหละแต่พูดอย่างนี้มันยังไม่เข้าใจบางคนยังไม่เข้าใจนะอนี่แหละ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 แต่ความเป็นคนก็ต้องอยู่ในคนเนี่ยให้เขาใจ ย, ยังนะดังนั้นเราควรศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงถ้าหากเราไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติให้รู้แจ้งเราก็จะถูกหลอกอยู่ไม่เฝาเลยดังนั้นและที่ที่ปฏิบัติในประเทศอินเดียคูบาอาจารย์เราให้ฟังพักครูวิสิตสมจาร์เนี่เป็นอุปสาให้เมื่ออายุยี่สิบปีบวชครั้งแล้วเนี่ยง ถ้าก็สอนว่าประเทศอินเดียมีร้อยแปดลัทธิร้อยแปดอาจารย์แต่อาจารย์ไหนก็ถูกทำนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทมากับครูกับอาจารย์หลายอาจารย์จนได้สมาบัตเตดอันนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าอันเป็นคนธรมรมดานี่เองแต่ว่าไม่ท้อถอยนึกว่ามันมีจริงเพราะพระพุทธเจ้าตัดสัู้้ไปก่อนนั้นตามหนังสือที่หลวงพ่อได้อ่านเองอันน mm ี hmm. ้พระพุทธเจ้า ตัดสะลูเป็นพะะระอรหันต์ไปนิพพานแล้วนั้นคู่กับไม่เห็นเม็ดทราในมหาสมุทรทะเลเน่ยท่า น, นว่าอย่างนั้นและที่จะมาตัดสะลูข้าหน้าดีกว่าคู่ไม่เห็นเม็ดทรานั้นเหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ตัดสะลูไปนิพพานแล้วคู่ไม่เห็นเม็ดทรายปะเพนีตันเตประเพนีคือมันมีมายัางจิตไปนิพพานแล้วเลยมากที่สุดเราก็อยากรู้นิพพาน แต่กศึกษาสนใจถามครูบาอาจารย์องค์นั้นถามครูบาอาจารย์องนี้นมาาานไม่รู้เลยมันยังมีความสงสัยดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันท่านก็ศึกษามาหลายครูหลายอาจารย์จนกระทั่งอดข้าวอดน้ำไม่กินข้าวกินข้าวเท่ากับเม็ดงานี่ท่านว่ามันนี่กินข้าวมันผอมข้ามีเต้ห น, นังกับเอ็นกับกระดูกเท่านั้นเองรัดลึงกันเอาไว้ คนไม่กินข้าวกินน้ํากระผอมกระจ่อยเข้าถ้าพพระเจ้าของเราข่าวนั้นไม่ได้เป็นพระเจ้านะเป็นนํากินข้าวนี่แหละมันยังมีกิเลสเป็นนํากินน้านี่แหละมันยังมีกิเลสให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่อเรื่องเสียเป็นนําพูดนําคุยกันนี่แหละมันยังมีกิเลสมันยังฮักยังซังมันยังดีใจเสียใจอดเลยแบบนี้อดล้วก็ยังไม่เก่าอยู่นี่ยมันไม่มีในเราแต่มันมีในเราแต่มันไม่ได้มีในเราถ้ามันมีก็คือเราไม่เห็นเราไม่รู้มัน อันนั้นไม่ใช่คนนะมันเป็นผีก็ได้เนี่ยตอนที่ท่านมาทําทางจิตผิดเมื่อตอนหลวงพ่อไปไปภาวนาว่าดูลมหายใจก็เป็นการปฏิบัติทางจิตอันนั้นก็ะทุกเหมือนกันการปฏิบัติทางจิตกับการดูลมหายใจขนละเรื่องกันเลยครหลวงพ่อเข้าใจอย่างไหมใครใจะพูดยังไงก็ได้ดูลมหายใจดูไปดูไปแล้วไม่ต้องดูลมหายใจเลยมันมันคิดเรื่องหูจังควรคิดกับลมหายใจจึงขนละอันกัน มู้จะว่าควมคิดมันคิดไปเรื่องมันลมหายใจมันก็หมดลมก็หมดเรื่องเท่านั้นเองหมดลมหายใจก็ตายเท่านั้นแล้วคนเนี้ยมันเคลื่อนไหวไปมาได้ทุกวันก็เพราะลมหายใจเทวธาตลมมนทําให้เคลื่อนไหวไปมาได้ท่านว่าธาตุนธาตุดินก็ทําให้มันแข็งตัวท่านว่าโอ้หลายเรื่องอันนั้นเป็นคําพูดที่เคยศึกษามาเล็กเล็กน้อยน้อยที่ตัวเองได้เรียนมามันจริงแต่เรื่องนี้มันมันรู้เอง เนี่ยเรื่องนี้มันรู้เองไม่ต้องสงสัยเลยรับรองได้ว่าในตำลามันมีอยู่หลักสูตรธรรมวิจารณ์รนระสังเษตเียกว่าธรรมวิจารณ์หนะ้าที่เท่าใดหลวงพ่อจำโ่ดได้ผู้ที่จเจริญสติปัฏฐาน4สี่ให้ถูกต้องและติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานไม่เกินเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวัน มีอันนี้สองสองประการหนึ่งเป็นพระอรหรันต์ในปัจจุบันชาต์นี้ให้หลวงพ่อว่าภาษาบ้านหลวงพ่ออิติมุติถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหรันต์ในปัจจุบันชาตินี้ต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีนี่แน่นอนที่สุดแต่ปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ท่านนี้คนที่มาปฏิบัติจงังซีอยู่เมืนไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เพราะในการทํามาหากินถึงเจ็ดปีเนี่ยมันไม่น้อยไปไหนพระพุทธเจ้าของเราทำหกปี คนที่ไม่มีปัญญานั้นเจ็ดปีต้องรู้เนี่ยพระบุรีเจ้าท่านท่านคิดขึ้นมาบัดนี้เราทําตั้งแต่เป็นเนนพลอดถึงอายุตีสิบหกปีอย่างไม่รู้ก็ทำอยู่อย่างนั้นเลยแล้วไม่รู้เนี่ยนึกว่าดู้ลมหายใจเป็นดุขมคิตรนึกว่าเป็นทางจริงๆเนี่ยแต่นกระทุกเหมือนกันมันไม่ใช่อันเดียวกันนี่น่ะเรื่องสมถะกรรมฐานมันจึงมันรวมกันคําพูดมันแย่งกันไม่ได้มันแยกแยะออกจากกันไม่ได้เมื่อมารู้อันนี้โอมันคนละเรื่องกัน ดังนั้นสมถะกรรมฐ า, านจึงเป็อนอุบายให้สงบกิจสงบใจเท่านั้นมีปัจนากรรมฐ า, านจึงเป็นอุบายให้เกิดปัญญาคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาท่านว่าคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะสงบมีที่ไหนอันนี้หลวงพ่อไม่รู้เลยสงบเนี่ยไม่ได้วันคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะปัญญาการที่ว่าปัญญาเนี่ยมันต้องเห็นแจ้งรู้จริงจว่าจักสุปัญญาคือตาเนี่เองได้จักสุขว่าตาเด้ จักขู่ธาตุไม่ไ่้ธาตุทั้งตาจักขูวิญญาณธาตุวิญญาณนั้นตัววิญญาณแต่ละรู้ไม่ใช่วิญญาณนัตายแล้วไปล่องรอยไปเข้าท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้แต่เกิดอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของที่คนมาเข้าใจได้เหมือนกันดังนั้นตายแล้วเกิดอิกขผิดพระพุทธเจ้าวายอย่างนี้ตายแล้วสู์กัผิดเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งสอนอย่างนั้นไหมเออเนี่ยเรืวอมจริงอันนี้เรามาพูดข่มจริงสู่กันฟังวันนี้พูดน้อยแต่ว่ามากเลยนะนี่น ดังนั้นเราศึกษาธรรมะจริงว่ามันศึกษาเปนคนละรูปแบบกันแต่มันทุกทุกคนจริงว่าหลวงพ่อชอบเรื่องนี้จะพูดเรื่องนี้เมื่อยังมีชีวิตยอยู่จะพูดเรื่องนี้ถึงตายหมดลมหายใจเคลื่อนไหวไม่ได้ก็หยุดกันเลยถ้าหากยังมีลมหายใจอยู่จะพูดเรื่องนี้เมื่อเรารู้จักอันนี้แหละที่ว่าเมื่อเรารู้จักเห็นแจ้งเข้าใจจริงโมหะโลภโทสะ สามคนนี้มันจะอยู่มวดเดียวกันแต่เมื่อหลวงพ่อเข้าไปจริงๆคือมันมีนายหน้านายประตูมันก็ต้องโทรศัพท์มันเป็นคนที่รักษาประตูมันไม่ให้คนอื่นเข้ามาใกล้ได้เพราะว่าตัวนี้จิว๋วเหมือนกับคนกินเหล้าเนี่ยปึ้งตังเขาใส่เลยทีเดียวเป็นอย่างไ น, นดังนั้นจิว๋วเข้าไปเจอตัวนี้แล้วออกนี่เจอคนนี้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะที่เอานายหน้ามันออกไปแล้วโมหะนี่เป็นคนประดับ จะเป็นคนหนุนหลังโมหานี่มันไม่เข้าแต่ใกล้หรอกไอ้โทรสะนี่ทีเดียวมันเข้าไปซกไปต่อยไปตีมันไอ้โมหานี่เอ้อมึงเอาเอามึงเอาอย่าสมมติเอานั่นนี่แต่เมื่อไม่มีไอ้นนแล้ไอ้โมหะมันก็หนีเลยมันไม่เข้าไปใกล้คนเนี้มันเป็นลูกเรียกว่าลูกหนูนอันนียมันเป็นลูกหนูนสมมุติเคยยังทหารหรือตำรวจเนี่ยตัวนายแท้ๆไม่เข้าไปจับผู้ลายเลยต้องมีลูกน้องไปจับเป็นลบทกันเหมือนกัน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 ไม่ค่อยติดถ้าเป็นสีดำก็ไม่ดำผ้าถ้าเป็นสีแดงก็ไม่แดงผ้าไม่ไม่ไปตามสีได้แบบนี้ที่การปฏิบัติให้รู้จักคนก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้จักคนแล้วอะไรมาผีมันก็ไม่ไปด้วยสัตว์นรกมันก็ไม่ไปด้วยเอทจัดเอกสารอสุรกายมันก็ไม่ไปด้วยเพราะมันรู้จักว่าควมเป็นคน รวมเป็นคนรู้จักแล้วบนี้โอ้นี่คนมาอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นจะให้รู้จักว่าเกิดมาทําไหมเพื่ออะไรแก้ปัญหาที่ตรงไห น, นเรียนหนังสือจบประโยคเก้าธรรมะนะเรียนหนังสือทางโลกปริยายเอกได้เงินเดือนแต่ควมทุกอยังมียังบ้วิบบ้านหลวงพเรได้เลยยัยงบ้วดิบยังบ้วพ้นมันยังไม่วิดอันตรายยังไม่พ้นจากอันตรายไป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 การพูดร้อยคำพันคำมื่นคำแสนคำก็ตามสู้การกระทําครั้งเดียวไม่ได้เนี่ยการกระทำครั้งเดียวทํทำยังไงก็ทําให้มันรู้สึกตัวนี่เองดังนั้นเราเคยเสวเกันว่าท่านจงทํำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดันี่ยไม่ประมาทคืออะไรเราก็ต้องไปเรียนหนังสือเนยรู้กันไม่ประมาทนั่ง น, นอนให้ถูกต้องกับเวลมเวลา รักษาอาณาไมยสุขภาพให้มันถูกต้องแล้วก็ถูกต้องนะอันนั้นก็ถูกเหมือนกันคำว่าจงศึกษาและจงปฏิบัติจงทำให้ควรมึงพร้อมโดยเป็นความไม่ประมาทก็คือเราดูใจเรานี่เองมันไปที่ไหนก็รู้เรานี่จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเราอยู่ที่ไหนก็รู้ได้เนี่ยการศึกษาธรรมะเป็นวิถีรัดนัดสั้น ไใจควมได้เลยดังนั้นการปฏิบัติแบบนี้ไม่ขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่ครูอาจารย์ครูอาจารย์เจอผิดก็มันผิดครูครูอาจารย์ว่าถูกมันก็ถูกของครูแต่ตัวเรานี่มันทูกและมันผิดอันนี้แหละสัมมาทิฏฐิแท้จิงว่าโอ้คำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันมีความหมายลึกลับซับซ้อนมากที่สุด ถ้าหากเป็นนักทฤษฎีนะเหรียนมากแปลยังไงก็ได้แต่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นนักทฤษฎีไม่ใช่เป็นนักแต่หนังสือหลวงพ่อพูดตามอุดมการณ์หรือความเข้าใจตัวเองไปอย่างนั้นดังนั้นเมื่อลูกจากอย่านี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาหมายถึงอะไรเวทนาเดสวยอารมณ์ละวานาสะสวยอารมณ์อะไรทุกข์ก็สเสวยสุขก็สวยอย่างนั้นติด เราเราก็ต้องรู้ได้เนี่ยสัญญาคว้าหมายรู้จําได้เนี่ยสัญญาจําอะไรก็ต้องรู้จากเรื่างนี้สังขารปรุงแต่งเรื่องอะไรมันไม่ปรุงแต่งเรื่องอะไรญญญเิ็นอย่างก็จึงแปลว่ารู้แปลว่าสัญญาตัวนี้ไม่มีเมื่อสัญญาตัวนี้ไม่มียานวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นได้ก็เพราะไปเรียนจากตำราเกิดขึ้นได้เพราะจากการได้ยินในคว่าอันนั้นเป็นวิปสัสสนึกวิปสัสคิดอย่างวิปสัสนาีนอย่างวิปสัสสนึกวิปัสคิด วิปัสสนาขาดคเนเอาก็ได้อย่ให้เป็นวิปัสนาจริงๆวิปัสนาแจวลู่แจ้งเห็นจริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมท่านว่าอย่างนั้นถ้าหากยังไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงยังไม่ต่างเก่ายังไม่ล่วงภาวะเดิมนั้นจะจัดเป็นวิปัสนาไม่ได้แต่มันเป็นวิปัสสนึกเอาเป็นวิปัสสวาเอาว่ า, วาโอคนเดียวเราเนีเนี่ยท่านว่าอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีครูบาอาจารย์มาให้ฟังหรอกอันนี้แต่ว่าเราว่าโอคนเดียวเนี่ย เพราะเราได้เพราะยังไงเว้าได้เพราะว่าหนังสือกลาเมสูตรบอกไว้แล้วย่าเสื้อถือโดยเขาพูดตามกันมาย่าเสื้อถือโดยเขาเล่าลือกันมาย่าเสื้อถือเห็นว่าเขาทําตามกันมาย่าเสื้อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตําราคันมีในตำราก็แปลว่าเราไปเรียนลอกแบบเอานั้นเองแล้วครูบาอาจารย์ไปทำตามครูบาอาจารย์ก็เป็นเราไปเรียนลอกแบบเอานั้นเอง และท่านอย่าเชื่อถือโดยการดนดานึกคิดเอาเองอย่าเชื่อถือบุคคลนี่พูดแล้วน้าเชื่อถือหน้าเคารพท่านปฏิเสธทั้งหมดเลยทำไมท่านปฏิเสธอย่างนั้นก็ท่านให้ฟังแต่อย่าไปเชื่อทันทีต้องปฏิบัติเอาเองอยวอมสันธิติโฟนอันผู้รู้จะพึงเห็นเองต้องรู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วจึงจะโอ้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิของเรา ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิของคนนั้นไม่ใช่สัมมาทิฐิของคนนี้เป็นสัมมาทิฏฐิของใครของเราดังนั้นจึงสัมมาทิฐินี่จังหวะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเป็นหน้าที่คิดจริงๆถ้าเราไปติดแล้วเราจะอาจเป็นอะไรปิดจักษุปัญญาของเราก็ได้เนี่ยเรื่องสัมมาทิฐินะที่พูดธรรมะให้ฟังวันนี้ก็เพื่อทําความเข้าใจปรับปรุงพวกเราทุกคน ที่มานี้หลวงพ่อพูดวันทิกกษัตร้างวันจันทร์ก็ตามตอนสันเสาร์ตอนสันกลางวันทำ ว, วัดเสาร์วัดเย็นหลวงพ่อชอบพูดแต่เรื่องที่ควรศึกษาเรื่องที่ควรปฏิบัติเรื่องที่จะเอาไปแก้ปัญหาตัวเองถ้าหากแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แล้วเราจะดีนไปแก้สังคมก็เรียอวัตรทุกันเองหรือจะเอาความเดือดร้อนไปให้กับสังคมนั่นเอง ดังนั้นจะทําพูดคิดอะไรต่างๆต้องแก้ตัวเราให้มันแน่นอนถ้าหากแก้ตัวเราไม่แน่นอนแล้วแปลว่าเราอาจจะผิดก็ได้ถูกต้องก็ได้เมื่อเราชอบอยังไงจะพูดอย่างนั้นตามอารมณ์เรียกว่าอิสระไม่ใช่อย่างนั้นอิสระก็หมายถึงนํายอมไม่จิดนั่นเองเป็นผ้าสดสดอยู่านั้นเองถ้าหากนํายอมยังติดผ้าไม่ใช่อิสระแล้วนั่นนี่เป็นไนความเป็นไทยก็เช่นเดียวกันเป็นธาตุของน้าสีผ้านั่น ถ้าหากน้ำสีไม่ติดตะขวมเป็นไทยได้จริงๆอันนี้ก็เหมือนกันนั่นน่ะจะว่าคนไม่ใช่คนรู้อย่างไม่รู้ถ้าหากเป็นคนจริงๆแล้วน้ำสีจะไม่ติดติดกันน้อยที่สุดจะสลัดทิ้งทันทีคาว่าสลัดนี่ก็ว่าย่งไงเอาทิ้งนันว่าอย่งไ เ, เหมือนกันที่สลัดทิ้งทัทนะีนี่ะนมื่อไเราต้องศึกษาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจจริงๆ แต่มันจะเป็นไปตามขั้นตอนที่ภูบาอาจารย์หรือตำราทั้งหมดเป็นปฐมอาจารมีองค์เท่านั้นเท่านี้ถูกเหมือนกันแตเราเจ้องปฏิบัติองค์ไหนอยู่ที่ไหนองค์ไหนอยู่ที่ไหนเราต้องรู้เนี่ยปฐมอาจารทุติยอาจารตัดติยอ า, า, จ, จ, าจารจตุพัชาจารปัญจมาาจารมันจะพร้อมกันทั้งหมดเลยคำว่าปัญจจะพร้อมด้วยองค์ทั้งห้าทันวันอย่างนั้นทําถูกต้องพูดถูกต้อง คิดถูกต้องท่านว่าองค์ทั้งห้าท่านว่ามาพร้อมกันแล้วท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นตัวคําว่าผสมามาสานผสมมาเลิกเนี่ยเรื่องรูปน้ํานี่ก็ถูกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ทันได้กระแสเพียงแต่ได้ลูกเลื้ยงเท่านั้นเองดังนั้นจีว่าทุกคนปฏิบัติได้ไม่ยึดฝีมือของเราเองถ้าหากเรามีศรัทธาแท้นะถ้าหากศรัทธาไม่จริงศรัทธาหัวเตาจนลุกๆเนินๆ สัตหะหัวเต้าบ้านหลวงพ่อเรียกว่าสัตหะหัวเตาโตเต้าเนี่ยขัดเจ้าจูดปลาบ้านหลวงพ่อมันเอาหัวมันหลุดเข้าไปไหนแล้วมันกัดี้ยันมันเก้งลงไปหาน้ํำบนไฟบนไม้บ้านหลวงพ่อมเป็นภูเขาทางให้บ้านหลวพเรียกว่าให้เลี้ยวส่วนจูดไฟมาแล้วไฟไหม้ปลาไปเป็นโตเตาบัญหากินเห็ดกินอย่างมันเนี่ยขันไฟมาม้อแล้วมันเอาหัวมันสรุปเข้าไหนแล้วก็จี้มันยันมันเกิ้งไปเลยผ้ากองไฟก็ได้ เพราะไฟมันไม่กร ะ, กระดองเตาพีดีๆๆลงไปถึงที่ซุ้มที่เย็นในไฟบไ่ไหมอันนั้นเขาเอิ้นศรัทธาหัวเตาตเพ่นว่าบ้านของพอเขาจวาวายอนกันดังนั้นจิงว่าให้เราศึกษาให้เข้าใจการศึกษาทางทฤษฎีตำรับตำรานนั้นดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วแต่ว่าเราจริงแล้วหรือหรือไม่จริงถ้าหากยังมีความสงสัยน้อยก็ทุกน้อยมีความสงสัยมากก็ทุกมาก เบงแรกต้องเอาในหน้าในด้านไม่ให้ได้นะคือโทสะโมหะโลภะเนี่ยต้องเป็นนักมวยเอาเป็นเซีนเปี้ยนจุดนี้ก่อนเมื่อเป็นเซีเปีเ้ย น, นได้เราก็เอาขึ้นไปซกไปขึ้นเวทีไม่ต้องค่อยขูและซกไปซกไปกนถึงที่สุดได้ดังนั้นที่อาจารมาได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตืนอนจิตสกิจใจในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแค่เวลาแล้ว ท้ายที่สุดที่อัตมาพร้อมด้วยพระ ส, สงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าานที่นี่อัตมาขออ้างอิงอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระนันตาสาวกพระสัสมาสัมุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าเราไว้ว่าในตาําราแต่พระพุทธเจ้าเราไว้จริงหรือไม่จริงกับเรารู้จักเลยสัตว์ทั้งหลายท่าน อุบาจารย์น้อยฟังมีในตำราสัตทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตรถาคตนี้เราต้องรู้แจ้งเห็นจรงรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามแบบพระพุทธเจ้านั้นขอให้ทุกคนทุกคนจงพกเห็นเอาในชีวิตนี้รู้เวลา ใ, ใกล้นี้จงทุกทุกคน เออ